เสียงอ่านหนังสือดีการธรรมจักกัปวัตนสูตรคัมภีรโบราณที่คัดลอกมาจากใบลานอันมีเนื้อหาที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่งสําหรับชาวพุทธที่ควรศึกษาและร่วมอนุรักษ์ไว้เป็นการนําปฐมเทศนาจากบาลีธรรมจักรกัปวัตนสูตรมาแจกแจงอธิบายความหมายตามรากศัพท์พร้อมลําดับเหตุการณ์ตั้งแต่อดีตชาติก่อมนมาเป็นเจ้าชายแล้วออกบําเพ็ญเพียรจนบรรลุธรรม ทรงรู้แจ้งในธรรมใดและทรงแสดงธรรมอะไรบ้างพร้อมทั้งขยายความจำแนกแจกแจงในองค์ธรรมแต่ละหมวดออกไปอย่างพิสดารซึ่งถือว่าเป็นการเข้าใจทั้งพุทธประวัติไปพร้อมหลักธรรมที่สำคัญที่เป็นแก่นแท้หรือหัวใจพระพุทธศาสนาคืออริยสัจปฏิจจสมุปบาทและโพธิปัจฉิธรรมอันเป็นส่วนประกอบที่รวมเป็นธรรมจักร คือวงล้อแห่งธรรมที่จะนำพาหมูสัตว์ให้พ้นจากสังสารวัตรได้อย่างแท้จริงคนส่วนใหญ่ชอบสวดธรรมจักรหรือชอบสวดมนต์และมักเชื่อไปว่าสวดเท่านั้นเท่านี้จบแลวจะมีอนิสง์มากแต่น้อยคนจะเข้าใจความหมายที่แท้จริงของสิ่งที่กำลังสวดซึ่งจะได้แค่สมาธิแต่ไม่ได้ปัญญาจะดีกว่ามากนะครับถ้าสวดด้วยความเข้าใจจริง อยากให้ดูตัวอย่างพระสาวกที่ท่านบรรลุธรรมก็เพราะน้อมจิตพิจารณาไปพร้อมกับการฟังหรือการระลึกถึงพระธรรมคำสอนด้วยความเข้าใจความหมายแม้ในคำบริกรรมสั้นๆก็ตามซึ่งปกติแล้วจะนำพระธรรมที่ทรงแสดงมาแต่งเป็นบทสวดให้ท่องจำกันได้ง่ายเพื่อไว้ศึกษาและพิจารณาตามแต่กลับกลายเป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ที่นามาท่องกันด้วยความงมงาย โดยขาดความเข้าใจไปอย่างน่าเสียดายอาจารย์พรรัตนสุวรรณผู้แปลและชาระพระไตรปิฎกอัทธคัถาดีกาฉบับมหาจุลาท่านบอกว่าหนังสือเล่มนี้แสดงถึงความแตกฉานในธรรมและในพระไตรปิฎกอย่างลึกซึง้งและยังไม่เคยเจอใครเรียบเรียงได้สมบูรณ์พร้อมได้เท่านี้ท่านจึงนํามาพิมพ์เผยแพร่ต่ออีกทอดหนึ่งแต่ถึงปัจจุบันก็ยังอยู่ในวงจํากัดและมีคนรู้จักน้อยมากและกําลังจะสูญหายไปอย่างน่าเสียดาย การจัดทำเสียงอ่านเรื่องนี้ถือเป็นการอนุรักษ์มรดกทางปัญญาอย่างถูกต้องตรงธรรมและครบถ้วนในสิ่งที่ชาวพุทธควรรู้ไว้อย่างงดงามให้กระจายไปในวงกว้างอีกยาวไกลก่อนที่จะเลือนหายไปอย่างน่าเสียดายจึงอยากเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมการศึกษาและร่วมเผยแพร่ได้ตามแต่จะเห็นสมควรต่อไปเพื่อความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นแนะนาให้ฟังซ้าบ่อยๆโดยอาจนั่งหรือนอนทาสมาธิไปด้วย เพื่อทบทวนความจำและพิจารณาทมไปพร้อมกันโดยข้ามส่วนต้นในการเล่าเรื่องไปเลือกฟังในหัวข้อที่เป็นหลักทำโดยตรงที่เรายังไม่เข้าใจหรือยังจำไม่ได้ก็ได้นะครับและเฉพาะใน Youtube ช่องหลักให้กดที่ชื่อตอนหลังตัวเล่นจะมีหน้าต่างเพื่อเลือกฟังและให้เลือกเล่นวนซ้ำเฉพาะหัวข้อหรือเฉพาะตอนได้แต่ในพอดแคสต์ที่มีกระจายอยู่หลายแอปจะกดฟังแยกตอนไม่ได้แล้วนะครับ เพราะเขาปรับกฎใหม่ไม่ให้อัปโหลดแยกตอนในหน้าเดียวกันแล้วซึ่งทางชมรมผลดีจะจัดทำเป็น mp 3แบบแยกหัวข้อพร้อมต้นฉบับหนังสือเพื่ออ่านไว้ให้ดาวน์โหลดอีกทีภายหลังในเว็บไซต์โจโฉดอทเนนะครับอ่านโดยอริยะคุณชมรมผลดีร่วมจัดทำโดยเจ้าภาพหลักพลอยจุธางามพฤกวานิชครอบครัวอิม่มวงศรีครอบครัวชินวัฒนกุลลชัยเจ้าภาพรอง สรินยาอริยชาติพดุงกิจสุดาพรตงสิรินิชามาโสภาพลพร อ, อภิวัฒนาเสวีพันทิปสันติพากรว น, นทิปดิสยามานพจนาสำนักโนดโปรยทิปเหลืองมีวัยร่วมกับอีกหลายท่านฟังได้จากท้ายเรื่องชีวิตคนคนหนึ่งเปลี่ยนไปได้ด้วยธรรมะจะสะท้อนกลับมาเป็นแรงส่งให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปทุกๆุกด้านอย่างเป็นธรรมเช่นกัน